การปทุกระพฤติข้อวัดเพื่าอจะทําข้อวัดให้บริบูรณ์จะทําข้อวัดนั้นให้เต็มเช่นกรณีที่ว่าปฏิบัติตามคิดทั้งหลายถ้าเป็นคารวะใช่ไหมเช่นถ้าหากเป็นลูกก็ปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจของท่านจํารงรวงตระกูลทำ ต, ตนไม่เหมาะสมในการได้รับทรัพย์แล้วก็ท่านร่วงรับไปแล้วทําบูดูทิศเนี่ยกรณีที่บําเทนวัดดูแลท่านในบริบูรณ์เนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าจารีษ์ศีลเนี่ยทําข้อวัดให้บริบูรณ์หรือปฏิบัติต่อครูอาจารย์ใช่ไหม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 ไม่ใช่ทําไปเพราเห็นแต่หน้าจ้าหรือเห็นแต่หน้าข้อแม่จะเห็นว่าพระบรมศาสดาเนี่ยผู้ทรงพระคุณนันบเสริดผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระบรมศาสดาตรัสไว้ถ้าพวกเธอต้องการจะทําศีลให้บริบูรณ์คือปฏิโมกข์สังวรศีให้บริบูรณ์แล้วเนี่ยต้องําเพ็ข้อวัดให้บริบูรณ ถ้าข้อวัดไม่บริบูรณ์ตัวปาฏิโมกข์สังวรศีลจักบริบูรณ์ไม่ได้เราก็เลยต้อง ท, ทําเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเราเห็นโทษต้องการไม่ทำเหมืคุณคุ้งการทําถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะน้อมในการที่จะกระทำเพราะน้อมในการที่จะกระทําอย่างนี้เป็นพุทธบูชาด้วยนะเป็นพุทธบูชาถ้าแม่ครูบาอาจารย์จะดุจะว่าจะกล่าวก็ไม่น้อมไปในการที่จะโกรธ เพราะถ้าเราโกรธข้อวัดเสียไหมเสียไหมเสียชื่อว่าไม่ทําตามคําสอนของใครของพระพบ ร, ร, รมศาสดาเมื่อไม่ทำํทำตามคาสอนของพระบรมศาสดาข้อวัดเสียกุศลศีลจักบริบูรณ์ได้ไหมเมื่มอกุศลบรศีลไม่บริบูรณ์จะยกตนเองออกจากอบยภูมิก็ไม่ได้จะยกตนเองออกจากสังสารวัฏยิ่งไม่ยัดไม่ยัดไม่ได้เลย ที่เห็นโทษไหมล่ะต่อไปปฏิบัติต่อเพื่อนยังไงก็จะมีข้อวัตรปฏิบัติในการที่ปฏิบัติต่อกันต่อพระก็ต่อสาวธรรมิแล้วปฏิบัติต่อบุตรภรยาบ่าไพ่ยอย่างไงเห็นไหมเบื้องหลังเบื้องต่ําป็นต้นปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าต่อสาวว่าของพุทธเจ้านะเราควรประพฤติปฏิบัติยังไงในฐานะพุทธบริษั ท, ทธ์กระยิบะ อันนี้ก็เป็นข้อวัดที่เราต้องบำเพ็ญให้บริบูรณ์ให้เต็มแต่เราบำเพ็ญไปเพื่ออะไรเห็นคุณของพระเจ้าแล้วก็ตอบแทนคุณนะและอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเห็นว่าอันนี้เป็นสิงน่งควรทำเมื่อทําแล้วเนี่ยจะขัดเกลาทำให้เมื่อข้อวัดบริบูรณ์แล้วต่อไปไปที่โมฆะสังวาสีมก็จะบริบูรณ์นี่เป็นอย่างนี้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 ทังท่านี่ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ยัยย่างถ้าทําในลักษณะอย่างเนี้ยตัวเนี้ยจะไปเกื้อกูลเพราะสิ่งที่กระทํานั้นอ่ะไม่ใช่ทําตามหน้าที่จะทำเพราะเห็นตัวเจตนาศีลเห็นตามเพราะเห็นเจตสิกศีลทํามเพราะเห็นตัวสังวรศีลเห็นตัวอวิติกรรมะือการไม่ก้าวล่วงในการที่จะเอาขึ้นวัดปฏิบัติให้เต็มให้บริบูรณ์ อย่างจตพระก็ก็มีกวักวิหารลานไปยดีเห็นไหมอะนั้นเป็นวัดของท่านเยอะไหมที่เราต้องทําให้บริบูรณ์สิ่งต่างๆ่างแบบนี้ยไม่ใช่ทำไปด้วยความเครียดเหมือนมี ใ, น ใ, น ใ, นใครทําโลกได้เลยทุกวันก็กวันหรือต้องลานก็กวันอย่างนี้ยไม่ใช่นั่นทำไปด้วยจิตผ่องใสงที่ใจเบิกบานที่การน้อมน้นอมก็พูดถึงวัดวัฒนายอย่างเนี้ย ท่านเชื่อ ว, ว่าทำข้าวัดให้บริบูตรณ์ต่อมาเนี่ยตักุศลแลจักบริบูรณ์นนี้เข้าใจอย่ายงเอาประเด็นถามต่อใครจะตอบยกมือเลย น, นี้เอาถามตัวความไม่โลภอะความไม่โลภอะเอเป็นศีลได้ยังไงอยิ้มยกมันดีจะตอบความไม่โลภจยเป็นศี่งได้ ย, ไยังยม ไ, มไงไ ยกตัวอย่างแต่จริงๆเข้าใจว่าเข้าใจไงพยนะพั้นอเจาธรรมะเจ้าตรงนั้นคือคือความไม่โลภเนี่ยพอเกิดความไม่โลภขึ้นมาความไม่โลภนั่นแหละก็เลยไปเกื้อกูลไปเกื้อกูลทํากายวาจาให้ตั้งไว้ดีไม่เกลื่อนกลไม่กระจัดกระจายไม่รู้สีก็เลยน้อมเป็นผู้มีศีล อาศัยความไม่โลภนั่แหละเป็นเหตุอาศัยความไม่โลภนั่แหละเป็นปัจจัยนั้นความไม่โลภจึงมาอยู่ในฐานะเป็นเจตสิกสีทำกายทำวาจาทำจิตใจให้ผองใสใช่ไหมความไม่โกรธความไม่โกรธนั่แหละเลยเป็นปัจจัยแก่การที่มีเมตตาไหมกับสรรพสัว์ทั้งหลาย เมตการะตนเองไม่ต้องเป็นตนเอความเมตการนั้นเลยเป็นปัจจัยเหตงการที่จะทําให้ตนเองไม่รักไม่ฆ่านะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขาไม่รักไม่ประพฤติผิดในการแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบและไม่พูดเปเจ้ยและใจก็เป็นไปกับเมตกาถ้าอย่างนี้ชื่อว่ากายบริสุทธิ์ไหมวาจาบริสุทธ์ไหมใจบริสุทธ์ไหม ก็เดินนั่นแหละเมตตาที่เกื่อกูนกายกรรมเวทีกรรมมโนกรรมนั่นแหละให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเมตตามาอยู่ในฐานะเป็นกุศลสีเจ็นเจตสิกสีง่ายแต่ของเราเนี่ยมันได้ชั่วแบบแบบแบบแบบเงี่ยแล้วก็เดินมันต่อเนื่องท่านเป็นนม่ชีก็พยายามอย่าให้จิตโคตรถูทอดถอยมาแทรกหน่อย เข้าใจไหมเหมือนนั่งปังธรรมไว้ให้ใจเป็นไปกับเมตตาให้มีเยสิกสีนออกมาเพ่ทงท่านเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้ไอ้ความปวดหูวทรอตอนนี้จะไม่แทรกแล้วใจก็ผ่องใสในการตั้ย่างนี้จบไหมอะไรอีกข้อสัมมาวาจา เอสมาสมมาอา ส, มมาอ า, สมมาอาชีวะนี่เหรอยมหวานเป็นศีลยังไงอาชีพอะไรดีทํากับข้าวอ่ะเป็นศีลยังไงอ่ะ <c ười> นี่แล้วมาอาชีวะเดินเป้นผ้าเลยอ่ะเ <c ười> อาใครอ่ะแล้วมาอาชีวะเช่อ่อเลยเชื่อยมหวานนี่ข้างหลังเป็นไง สมาชีวะอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยเป็นยังไงที่จะเป็นสมาชีวะเอางั้นก็นแล้วกันเนาะเอาต่อนี้สมาชีวะใช่กันหลายๆคนในสาวมุดอ่ะเานี่เป็นความจําอันนี้ความจําที่ยังไม่เข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความจำเนี่ยเข้าใจไยปยอมไบในหงเนี่ยความจําพอได้ว่า ไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เลีไม่าขายใครไหมยาพิษเป็นต้นไม่ใช่ไหมที่นีสัมมาอาชีวะด้วย ห, หลักจริงๆอย่างที่ได้กล่าวเลยก็เมื่อกี้ทวนไงนะที่อาจารย์จะเรื่องนะี้หนึ่งต้องวางฐานก่อนอาชีพต้องบริสุทธิ์ด้วยก่อนเนาะอาชีพที่บริสุทธิ์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 สามวิจิตรเจริสีที่เกี่ยวกับอาชีพก็แปลว่าเป็นไปการอาชีพนั้นเนี่ยแปลว่ากายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดจิตต้องเป็นไงจิตก็ต้องสะอาดปราศจากอากุชลมักุ้มลุมถ้าอ่างนีใช่แล้วเป็นไปการอาชีพอย่างนั้นเนี่ยเขาทำงานไปด้วยกดทูปไปด้วยอาชีพก็ถูกด้วยอันนี้เป็นสมาชีวะเดินไหมไม่เดิน ถ้ามานั่งเรียนก็เป็นอาชีพไงใช่วนะ่าเรามีเอ่อเป็นเกี่ยวกับก็เกี่ยวข้อมกับที่ว่าเรามีอาชีพเอ่อทำมาแต่เรามีเวลาในการที่มาศึกษ า, าเรเนะ า, นน า, าเรียนเนี่ยนะก็ทําแต่ในขณะที่มานั่งเรียนเนี้ยปล่อยจิตใจโหดหู่จิตใจร้อถอยไปด้วยหรือว่าใจบริสุทธนะ์ไะอย่างนี้ก็ใจไมบริสุทธิ์ใจเศร้าหมองขกาใหญ่ยัง จากนั้นจะไปทํางานที่เราเกี่ยวข้องกับอาชีพเราด้วยแต่ใจเราหดถูท้อถอยด้วยใจเราโลคด้วยใจเราโกรธ ด, ด้วยแล้วก็ความหลงเกิดขึ้นมาด้วยวิจิจฉาพุ่งซ่านเนี่ยต้องคานใจด้วยเนี่ยเป็นต้นเนี่ยไปเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะเดินสมาชีวะไม่ถูกอาชีพเนี่ยถูกแต่ใจที่เดินไม่สะอาดผลของจิต ผ, ผ, ผ, ผลของศีลไม่เดินนี่เริ่มเข้าใจใไหม เราก็สุรศนต้องเป็นแบบนี้ต้องปองังใสนี่เป็นเนี่ยเอาเลยข้องปัญญาขยาวปัญญาคืตรงนี้ประเด็นนะครันะ้นาปัญญานี่ก็เป็นสี ป, ปัญญาเนี่ยมันจะถามอาจารย์เพอาจารย์เกิดมาถามรย์ะมันจะถามอาจารย์แปัญญานี่มันเกิดเป็นสิ่งนในไมน่กินมันก็แ่่ออย่างนี้จริงจงเนี่ยมาทำมารู้ว่าบางคนแต่ละคนเนี่ยนะจะมีมุมเข้าใจแตมันยังไม่ปฏิบัตต่อรหรือบางทีความเข้าใจเนี่ยมันยังไม่กระชับหรือมันยังไม่สามารถที่จะเดินเ น, น, นี่นเป็นลาดับได้ใช่ไหมยัเข้าใจอยู่ ผมถามโยมวันนีผู้เรื่องความไม่โลภในสีเนี่ยถามถามแต่ละคนที่ถามว่าความความไม้โกรธบ้างหรือว่าถามเกี่ยวเรื่องไม่เจรนาเนี่ยที่จริงความเข้าใจมันมีอยู่นะตรงนี้ถ้าาไม่ซักให้ถึงเนี่ยนะมันเดินยังไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเดินกันท้อากระแท่นนี้เข้าใจทั้นประเด็นต่างๆ้แต่ละคนเนี่ย บางทีมันไปจํามาแค่นั้นเองเข้าใจยังไม่ที่เราตอบมันจำเดียวกันเราเรามีแค่แต่เดียวกันคือทำจตาจคือคือบางทีความเข้าใจของเราเนี่ยมันเป็นความเข้าใจแบบไหนความเข้าใจแบบฟ้องมาบ้างแล้วความเข้าใจที่มันเลยเลยความลึกซึ้งในใจเรา มันไม่มันไม่กระทบที่ใจเลยมันไม่ปรากฏเด่นที่ใจเลยถ้ามันมีเหมือนตากระทบตูมที่ใจเลยเนี่ยแปลว่ามันจะมันสะกิดอยู่ตลอดเดวลาเลยก็เพราะยังไม่เข้าใจ น, นี่เยเดี๋ยวตรงนี้สรุปตรงนี้<ก>ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ ปัญญาที่เป็นศีลเพราะปัญญานั้นไปเข้าใจในเรื่องกรรมและเข้าใจผลของกรรมเข้าใจทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีใช่ไหมอุปโสตรกรรมและอุศโรกรรมแล้วก็ผลของอุปโสรกรรมและผลของอกุโสตรกรรมสรุป ก, ก็คือว่าตัวกรรมเนี่ยไปเข้าใจเรื่องอะไรปัญญาไปเข้าใจเจดานาที่เป็นกรรมยังไง ปัญญาไปเข้าใจเจดสิกนยเป็นศีเป็นสมาธิเป็นต้นเงี้ยงั้นตัวปัญญาจะมาเข้าใจสรุปตรงเนี้ลปัญญานะั้นเป็นพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมแน่นดีก็รู้ว่าการพิกศีลการทูศีลการไม่มีศีเนี่ยเป็นอกุโสรกรรมจะเป็นอคุโสรกรรมและอกุโสระกรรมที่เกิดจากการทูศสีเนี่ยมันจะให้ผลอย่างไรปัญญารู้หมดเลย ปัญญารู้หมดเลยปัญญารู้ถึงขนาดว่าศีลข้อแรกเป็นเหตุแห่งการลงอบัยภูมิจะเป็นมนุษย์อายุสั้นถ้าเบียดเบียนเขาเนี่ยนอกจากลงอบัยภูมิแล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็มีโรคภัยแค่เจ็บเยอะเป็นต้นดังที่กล่าวหรือศีลแต่ะละข้อนี่เข้าใจเลยเข้าใจตัวตั ว, ต, วตัวผิดสินแล้วผลที่ของการผิดสินแล้วเข้าใจชัดไม่ชัดเรนชัดถึงขนาดว่า เสมอเหมือนหนึ่งว่าที่ตนเองเคยทุ่ีสมาเนี่ยไฟเผาใจเลยเหมือนตนเองโดดลงในกองไฟเลยเข้าใจเลยแล้วปัญญาเนี่ยนอกจากจะไปเข้าใจนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมองถึงสิ่งแวดล้อมก็เกิดข้อมูลและความเข้าใจชัดยกตัวอย่างเอามานั่งรถมาปุ๊บก็เห็นเอ่อก็นั่งคุยกันอีกเรื่องนึ่ง มีรถบรรทุกเอานอกหน้าจะมีวัวตัวหนึ่งล้อมลุกล้อมลุกตัวใหญ่ๆมาถ้็ถามว่านี่เขาเอาเป็นโคลเลี้ยงยังไม่เปวัวเลี้ยงทางย้อนที่ขับรถสลอใไม่อันนี้เขาไปข้านี่นะเนี้กรณีอย่างนี้แต่ไม่ทราบว่าพระพ ค, คิดอะไรจะต่อแต่อามานักชิด ทำไมเขาคิดบอกว่ามีไ่ไงทอดความทุศีเนอยู่แล้วนี่ไงคืออบายสัตว์นอกจากทุศีนอะาบสัตว์เปเส็จแล้วมาเป็นโคยังไม่ถึงเวลาตายจะต้องเข้าถึงหลงเชื่อแค่นี้พอหรือยังที่จะสะดุ้งสะเทือนที่ที่เกี่ยวกับการจะต้องรีบมีศีลยังไงถ้าเห็นนี้อยามางนีสองกองศีลเนะี่ย ถ้าผู้สีเมื่อไรเนี่ยก็จะต้องมเป็นนี่นะก็เริ่มเกิดมีความรู้สึกร้อ น, น่นสิ่งที่ตนเองเคยทำบาปมาก็เยอะถ้ากรรมเหล่านั้นส่งผลเสียเล่าในช่วงนี้โอกาสจเจริญกุศลเราจะแย่แ น, น่นอนฉะนั้นก็เริ่มมาตรวจสอบกายกรรมวิีกรรมใช่ไหม เขาตนเองเนี่ยสุดเฉลี่ยหมใจเราเป็นสุดเฉลี่ยไหปัญญาที่เข้าใจกรรมผลของกรรมอย่างเนี้ยก็น้องไปที่จะขัดเกลากายวาจาใจให้สะอาดหมดจดอย่างเนี้ยปัญญามาเป็นสีใจอ่ะนั้นวิจัยไปแล้วเป็นไปเพื่อาการขัดเก่าทั้งสิ้นที่เป็นไปแต่ตาละบาป ท, ทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้เป็นสี ปัญญาเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากการฟังการวิจัยใช่ไหมที่เราปัญญาเป็นสีนเพราะปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วมาเกือ้อกูลนะไม่กลายวาจาะนะั้นเนี่ยเกิดความที่จะบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่ ง, ง, งขึ้นไปทีนี้ข้อมูลทุกอย่างแต่ละวันทุกคนเห็นหมดเลยที่คนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยปัญญาจะทำํำจิตของสิลได้มากที่สุดใช่ไหมถ้าอยู่โรงพยาบาล เ, เห็นทุกวันไหมนะ เมื่อเห็นทุก ว, วันปัญญาที่เป็นศีลต้องชัดไม่ใช่เห็นเหมือนสับปปเปลอเห็นศพสัปปเปลอเห็นศพ บ, บ่อยๆไหมแต่สัรเปลอศีลดีไหมชินเล่าไปด้วยเผาอกไปด้วยนีอันนี้แปลว่าผู้สอนศีลไม่เดินก็ย้ยยาเหมือนเราจำได้เรลองไปถามสับปปเปลอที่ท่องศีลท่องปุ๊บอาราตนาศีลก็ได้เป็นผู้นำศีลก็ได้ ไปจ้างเขาตามสลาต่างๆวันนี้ต้องให้เงินเขาด้วยเด้อใช่ไหมใครเผาเป็นค่าสไลเป็นคิดเป็นเซ็นมาละนั่นมันจําศีลแต่มันไม่เข้าใจศีลไม่มีรู้ซึื่งในศีลมันเดินดุศราศีลไม่ได้ไม่เห็นโทษเองาะการทุ่มศีลไม่เห็นคุณเพราการมีศีลปัญญาที่เป็นศีลมันไม่เกินถ้ายายาถ้าเราเรียนแบบนั้นนี่ยจําแบบนั้นเราก็จะไปต้างอะไรกันสอก็เลยคนนั้นลูก เข้าใจใช่ไหมอ้าวยมตเามอะไรเนี่ยเปียนสิ่งที่แบบเมีความเปนกมากเกลียวบหาปัญญาทีเกิดกอเราจริว่าเ้าปัญญาเนีเป็นแบบเขาต้องเกลียเป็นท้งตายใชนั่นคือการที่เราเกิดปัญญาปัญญาแล้วก็มาเกือกูลทให้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดปัญญาแล้วมารักษาสีถึงจะเป็นสี ถ้าเกิดปัญญาแล้วเพื่อทำสมาธิตั้งมั่นขึ้นมันอยู่ในชั้นของสมาธิเลยเพื่อกลุ่นสมาธินั่นต้องดูปัญญาที่เห็นแล้วได้เสร็จแล้วก็เกื้อกูลติณาเห็นเดีความเป็นรูปเป็นนามอันนั้นมันเป็นวิพพสนเก็ต้องแยกให้ออกว่าปัญญาอยู่ในฐานะไหนเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญเป็นปัญญาตรงนี้ไม่ขาดแล้วนะ ไอ <si ้ทีนี้ประเด็นเยอะเมื่อกีไม่คข้าใจก็คือว่าที่จะตามอาจารย์ก็คือปัญญาเป็นสี่เนี่ยนะการเดินทางปัญญามาวิจัยเรื่องของกรรมทีนี้ไปถึงเรื่องของกรรมอาฆาลเรื่องกรรมที่ได้ผละต่ก็กลายกลาลุดกรรมก็ดีแล้วทีนี้ชีวิตพอดสักทีตรนี้แห้งหตรนี้แล้วนะทีนี้ไอ้ตัปัญญาตัวนี้มันจะไปอะไรเรา ร้อนขึ้มาเห็นแบบในงานที่เราพวิจัยที่มันเป็นที่เราหาตัวสมนที่มีดีะตัวจรอนกับมาวากมื่เราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่มันจะเกิดมาเนี่ยมันจะเป็นที่ดีคมาว้ตัวนี้มันมันมเกิดมาเป็นเกิดจากการที่เราวิจัยวิจัยเสร็จแล้วก็จะมาดูแลกายกรรมวิจกรรมเพื่อให้มีสีแล้วก็มโนกรรมให้มีคุณสมบัตสินต ตรงนี้ก็มีผู้สมก็ใช่ใช่ใช่ผู้ก็เกิที่ประเด็นก็อยู่ตรงเมื่อกี้ยอมถามเนี่ตอบประเด็นตรงนี้เยอะอยู่ต้องต้องค่อยๆเรียงประเด็นแล้วตอบปัญหาไม่ครบบริบูรณ์ก็ดูไม่เหมาะเนาะที่ก็ตอบดีเลยอย่างคุณละประเด็นประเด็นตรงนี้ที่ยอมถามก็คือว่ากรณีที่ไปเห็นแล้วเราก็บอกเรายังไม่พ้นคิดจริงอันใช่ไม่ใช่แต่คิดทีทีคือ กรรมที่ทำใช่ไหมทำไมเขาต้องมาตายที่อยุสัน้นอาน้อยนี่โทษของการาาทำปาณาีิบาตทำไมต้องมีโรคภัยแค่เจ็บนีโทษของเยียเยยแบบนี้ก็พิจารณากรรมเหล่านี้เราเคยทำมาในสงสรารแล้ว่าพร้อมที่จะให้ผู้เรอได้เจอนี่เราน้อยโทษของการทุศีข้อแรก ชัดเลยเหินไปไม่เห็นอะไรเป็นกเป็นเสร็จเห็นคนวิบัติเพราะทรัพย์ชัดเลยเห็นคนแตกแยกออกชัดเราจะมองเห็นผลของกรรมเป็นเถวหมดเลยครทั้งกรรมดีเราก็เห็นทั้งกรรมชั่วเราก็เห็นเห็นตัวเหียดด้วยเห็นตัวผลด้วยก็น้อมขัดเกลาไกยกรรมวิีกรรมโนกรรมให้สุดสิแล้วจะนี้ความตั้งมั่นจะแข็งแรงไหม แข็งแรงตัวนี้ยคือปัญญาทํางานเป็นสีแล้วตัวนี้เป็นเป็นสีเมื่อน้องมาขัดเกลาการวาจาริจน้อมออกจากอากุศลกรรมบวชศึงั้นน้องก็ห า, ากุศลกรรมบวชศึอยู่ในระดับสีบสถ้ากุศลสีลแข็งแรงแล้วแะ่นี้ต้องพูดยาวเลยใช่ไหม พูดเดี๋ยวมันจะกระโดดไปกระโดดมาทีนี้เขาออกจากปานนติบาออกจากการฆ่าออกจากการลักออกจากการประพฤติผิดในการมได้ออกจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาพเพื่อเชื่อได้ออกจากความโลภออกจากความโกรธออกจากโมหะือความหลงได้แล้วก็มายืนอยู่ในระดับของกุศลกำบวดสิชัดเดินกุศลกำบวดสิบชัดมาก ทั้งสรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาระดมมาเกิดในใจตลอดเลยเข้าใจใช่ไหมเกื้อหนุนเดินตลอดน่ะเข้าน่ะเข้าเกื้อหนุนกุศลกรรมบวชเนี่ยจะจริญสาม่เดินอย่างแข็งแรงน่ะเข้าเขาจะออกจากกามคุณห้าออกจากกามฉันทะด้วยเนคขมะออกจากพยาบาทด้วยเมตตาออกจากสีนมิท้าด้วยการกำหนดธรรม้าหาแสงสว่างเนี่ยนะ ก็หาแสงสว่างเพื่อโลกามีความโล่งมีความเบามีความโล่งไมมืดตื้อเห้ือนติดคุก่ลยนะเอ่อแล้วออกได้แล้วไม่ต้องมานั่งหลับนั่งซาตงกอยู่แล้วแล้วก็ออกจากอุทจารกุฏาใช่ไะเพื่อความเหมือนเป็นธาตออกได้เลยแล้วก็ออกจากวิจิตริชารด้วยการกําหนดธรรมที่แน่นอนไม่ลังเลนะที่จะทําบาปหรือทาบุญต่างๆน้องก็หาเจริญกุศลที่ที่เลย ออกจากอวิชาที่ปัญญาออกจาจอรารตีใช่ไหมคือความไม่ยินดีด้วยการน้อมก็หาความยินดีเลยครับเพราะออกใจในลักษณะนี้แปลว่านิวรสงบแล้วพอนิวรสงบเนะ่ะถึงจะก้าวสู่การจเจริญวิปัสสนาชัดถ้าทนันใจก็อเดินวิปัสสนาไม่คล่องหอกจิตมันไม่คล่องแคล่วมันไม่ควรต่อการงาน เราแท่นทั้งหลายที่มันคาดไปเลยเพราะตรงเนี้ยเราไม่ก้าวมันเป็นตามลําดับจะโดดไปเอาวิปัสสนาทั้งๆที่กุโศลสีลอ่อนเองมากเข้าใจยังแล้วยังไม่เข้าใจเรื่องกุโศลศีลเลยยังไม่เข้าใจการออกจากอออกจากกลุ่มของอกุศลกรรมาบทยังไม่เข้าใจอการออกจากวีวรห้าเมื่อออกเป็ดเสร็จแล้วต่อมาเดินวิปัสสนาคล่องเลยตรงนี้ การวิจัยในความเห็นเป็นรูปประคันเวรนาสัญญาสังขารปัญญาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่างละเอียดชัดขึ้นมามีวิปัิศนาปัญญาทัี่ทำจิตเพราะมีฐานที่สมาธิแข็งแรงแล้วก็ออกจากนิวรณ์ได้แล้วจิตปลอดวงโล่งเบานะเป็นอิสระไหมเป็นอิสระมากควรต่อการงานไหมควรต่อการงานไหมตรงนี้คล่องแคล่วในการที่จะวิจัยไหมมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ปัญญาม่นดเป็นแบบนี้เข้าใจไหมนีม่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่อยู่ๆเลยจนะโดดเข้าห้องลฆษณาเลยต้องขัดเกลากนยิ่เป็นอย่างนี้แล้วมันก็มานั่งหน้าดำคาเครียดเป็นอ่างนี้น่งั้ก็ไม่โลกไมโปร่งใช่มเข้าใจใช่ั้ย นี่มันจะเป็นรักอะไรนี้ทีนี้ความเข้าใจในตรงชักดการศึกษาพระธรรมนั้นไม่ใช่ศึกษาแบบใจที่เป็นบางไม่ใช่ศึกษาแบบประเทศที่วางใจยังไงก็ได้ขอให้จําได้ขอให้รู้มากกว่านั้นคิดหมดแล้วตั้งเจตนาเหล่านั้นนะ่ะมาคูนกลาหัวได้เลยกาหัวได้เลยไม่ไม่มีทางเข้าใจได้ครับมันจะเข้าใจได้งไง พราเราตั้งใจเจรนาเรียนก็บินแล้วก้ ต, ตั้งใหม่ผิดไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะการผิดเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าถูกนี่น่ยอัศจรรย์วาถูกได้ยังไงว่าจะได้แปลกใจใช่ไหมจรงไม่จีการทำให้ถูกเนะี่ยยากไหมยากเพราะเราสัตว์เป็นผู้มีความนิดผิดมาอย่างยาวไกลทีสรุปประเด็นได้ไั้ย พอเข้าใจไเข้าใจน่ฮะยางสรุปไม่ได้อโอ้โหแต่นี่ก็ต้องเหนื่อยแ้วนั่นนะอาจารย์น้ำก็อาจารย์น้ำพูดตรงนี้สชวไหมน้ามีเกลือก็นี่ไงสัมสามวาวจาสัมมากรัมตะสัมมาชีวะแล้วก็ความไม่โลภความไม่โกรธตัณยยา เป็นเจสิกสีนหมดเลยปัญญาก็เป็นเจตสิกสีนความไม่โกรธก็เป็นเจตสิกสีนความไม่โลภก็เป็นเจตสิกสีน์สมมาวาราจาการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสีก็เป็นเจตสิกสีน์สมมากรรมตะการงดเว้นจากกายทุจริตสามก็เป็นเจตสิกสีน สมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบที่เว้นจากการยทุกจีด4สี่อ OG, อจีกายทุ 7, 3, ากจิด3สามจีทุกจีดีสีที่เกี่ยวกับอาชีพนี้ก็เป็นเจสเจสิศสีเจสิศสีมีหกตัวในที่นีเก่าว่าเจตนาศีอีกตัวหนึ่งนี่เึงเรียนศีมาเจ็ดตัวเลยเนือสังวร อ, อีก5้ายังไม่ได้เรียน แล้ววิติกามาการไม่ก้าร่วมอีกยังไม่ได้เรียนเดี๋ยวก็จะไปสรุปรวมอีกยังไม่ได้เรียนเนี่ยเนะี้ยก็ค่อยเดินไปดีไหมอาจารยนักวิรตีเนี่ยพูดที่ดีก็ได้พูดที่แตกแย่ก็ได้นี่มายความอ๋อวิรตีนะถ้าพูดให้แตกแยกถึงไม่เป็นวิรตีถ้าพูดให้คนสามัคคีกัน พูดให้คนมีความรักกันมีสามัคคีกันจริงจะเป็นวิรติจึ่งจะเป็นสัมมาวาจานะวิรักตอนนั้ น, น, นคืองดเว้นจากบาปทางกายทางวาจางดเว้นจากอาชีพที่ทุจริย์เราเรียกว่าวิรักอ๋อคำว่าพูดดี ย, ยกตัวอย่างเช่นพูดเพราๆเพราะ แต่เป็นเหตุทิ่มแทงให้คนแต่แยกกันนะั้นอาคนพูดดีๆแต่แยกกันได้ไหมคนพูดเพราะๆทั้งหลายอ่ะเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันอย่าไปทําอย่างคนชั่วทั้งหลายที่กาลังทํากันอยู่แตกไหมเนี่ยพูดดีไหมพูดเพราะด้วยนะนั้นกรณีอย่างเนี้ยบอกว่าเนี่ย คนชั่วทั้งหลายหรือไปพูดบอกว่ามีผู้ก่อการร้ายอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในบ้านเองอีนี่พูดพูดดีนะแต่เนี้ยคนแตกพยยัดข้อหาสองพยายามเข้าไปยัดเสจดยุ่งเลยเนี่ยนะนะเข้านะเข้าเนี่ยคนถูกว่าไม่รู้ว่าคุณอะถ้าพูดต้องพูดจริง ต้องใช่ถ้าพูดเป็นสัมมาว า, ายานี่นะการพูดที่ว่าไม่ส่อเสียดเ้อพูดด้วยกุศลและจิตเข้าใจทุกคนเมื่อเกิดความโกรธก็ทำให้ทุกอย่างฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายดับความโกรธหันหน้ามาคุยกันสิ่งที่ผ่านมาแล้วไอ้ผิดก็ต้องว่าไปตามคนหวานเป็นไปแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่หมแต่ทุกคนนั้นน่ะต้องหันหน้ามาคุยกันแล้ว บ้านเมืองมันถึงขนาดนี้แล้วทุกคนไม่ควรไปคิดอย่างอื่นแล้วเราต้องมานั่งตั้งสติกันแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นว่าทาไมมันมืดมอนอนันตการแต่ไม่เราท่านทั้งหลายเนี่ยหลงผิดกันขนาดนี้ใช่ไหมมันไม่รู้จะไปกล่าวโทษใครแล้วยิ่งเมื่อผลมันเกิดขึ้นมาแบบเนี้เดืแบบเสียทุกวันนี้ต้องกลับความเล่าร้อนในใจก่อนและค่อยนั่งคุยกนะัน อย่างเงี้ยถ้าคุยอย่างเงี้คุยดีจะให้แตแกแยกคุยแบบสมัครสมานใช่ไหมคุยให้คนเข้ากันแต่คุยดีเหมือนดีนี่แหละจะมันทําให้แตกแยกนะก็ทิ้งแางอีกฝ่ายหนึ่งซ้างอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นฝ่ายที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยนะถ้ามันเสียเลยใช่ไหมให้ผู้นําเนี่ยสําคัญต้องอ่านมโหสถเช้าดลบว่าท่านแก้ปัญหายัางไง เวลาเกิดกรณีการแตดแยกเนี่ยผู้นำต้องรู้คำสอบถ้าไม่รู้คำสอบก็จะเอาหลักของนั่นแหละนี่ศีรษรัศสารบอพูดกันอยู่นี่แหละซึ่งมันเสียหายมากใช่เพราะมันแต่ละฝ่ายนะีมันเยอะมันไม่ใช่น้อยมันไปตอกไม่ได้ไปตอกรีบแล้วมันจะแซบมันจะแซบไปไหนอ่ะยิ่งไปบอกบอกว่าใครเ อ, อ่อ อ่าใครไม่รักพ่อก็อย่าไปอยู่แผ่นดินของพ่อที่เสียเลยน ะ, นะไปพูดจริงๆ น, นะมีใครเพิ่มมาเล่าอะนมาฟังเนี่ยเขาเรียกว่าพูดดีแล้วมันทําให้เสียไปแบ่งแยกสังคมไทยเ น, นี่ยเนี่ยไปพูดในลักนะนะก็อย่างนี้นะในกรณีอย่างเนี้ยพอไปพูดแล้วมันก็ มันทำให้เสียเพราะมันเสียอะไรเสียสัมมาวาจาเรณนี้อย่างนี้ไปพูดได้ยังไงใช่ไหมต้องพูดบอกว่าไอ้สภาพของคีเลี่ยนที่ อ, อับปุลหรือบาปต่างๆเรามันเกิดขึ้นมาเนี่ยยามหน้าสืว ห, หน้าขวานทุกคนขาดสติทไปหมดแต่ตอนเนี้ยควรตั้งสติกันก่อน แล้วก็ก็กลับไปในใจด้วความรุ่มร้อนเชื่อหรือทุกคนสูญเสียประชาชนทุกคนนเนี่ยสูญเสียสูญเสียความรู้สึกใช่ไหมสูญเสียโอกาสอะไรเยอะแยะเด็ดเสร็จหมดแล้วสรุปแล้วทุกคนเน่ยที่อยู่เป็นคนไทยทั้งหมดแม้คนทั้งโลกที่เขามองมาก็ก็เสียก็เขามีความรู้สึกสูญเสียควา ม, มรู้สึกด้วยควา ม, มรูมม้สุกดี ฉะนั้นตรงนี้เราจะไปะจัดความสูญเสียตวเนี้ให้เสียทั้งด้านเศรษฐกิจมันไม่เป็นไรหรอกมันฟื้นฟูไม่เท่าไหร่มันก็จบเพราะประเทศไทยเนะี่ยมันผ่านอะไรทำไมเยอะกว่าจะเป็นประเทศไทยมันก็ไม่ใช่ประเทศไทยอย่าไปยึดอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยอะไรก็ว่ากันไปแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการเส่นง่ากันการทำลายหักล้างกัน การเล่นกันเกินของขีอันนี้มันผิดคำสอนแล้วไม่สมกับที่เราเป็นชาวพุทธเริ่ตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็ต้องระดมวิธีต่างๆเนี่ยนะบอกเขาทีคนที่พูดเป็นเนี่คนที่รู้หลักการจริงๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสเข้าไปพูดซึ่งมีเยอะใช่ไหมแต่ไม่มีโอกาสเข้าไปพูด สิ่งๆคนพูดงๆคนพูดริงๆไม่คนพูดพอ ง, งทให้ค น, คนอ่เดนไม่ชการแงใหเ็กคือจริงๆแล้าวาจาเนี่ยบางครั้งเนาวาจาอะไรมันจริงใช่ถ้ามันไม่จริงด้วยมันไม่ไปมันไม่ได้ประกอบไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบไปได้ประโยชน์เนี่ยพระองค์ก็ไม่พูด ใชไ่ไม่จริงไม่แท้ใช่ไหมถึงเม้่ามีประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดจริงนะนะหรือว่าไม่จริงจริงด้วยแท้ด้วยมีประโยชน์ด้วยพระองค์ก็รู้จักการที่จะพูด <c oughs> รู้จักการที่จะพูดมีพูดส่งเดยไปทั่วเลยดั <c oughs> นั้นคาพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเราจะนําไม้ไปจอ่อปากใครทั้งหลายเนี่ย มันไม่สกรีนเัินตลอดใช่าหมันนักเข้าแล้วเข้ามันก็ออกมากันแบบเนี้ยแล้วมันตอบย้ํากันตลอดตอกย้ํากันตลอดนักเข้านักเข้ามันก็เรียบร้อยแล้วทุกวันนี้ยังตอกย้ำาม่เยอะนั่นแหละใช่ไหมก็ไม่จบกันถ้าอย่างเงี้ยมันจะบอกว่ามันไม่จบมันจะไปจบได้ไงล่ะถ้าพูดลับเส้นไหนเงี้ยก็ตรงนี้ก็มันตึงบอกไงบอกว่า คนที่จะกล่าวต้องอยู่ในฐานนะที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเต้องต้องต้องอยู่ในค่าที่สามารถที่จะพูดได้เยอะในยุคก็อย่างเช่นถ้าในยุคนี้นะอ้างน้ำท่านหลา ย, ยาคนทุกคนนำบินหรือทุกคนร่มกุ้งน้ำใช่ไหมถ้าอย่างเงี้คนคนทีมน่มนท่านมาพูดจะต้องใสจัตัสการที่กาไม่ไม่ไม่เอามาถ้าในลักษณะ่นี้ท่านพูดจะชี้ฐาน นี่เราก็ไม่ไม่เอาทั้งๆที่เรามีมีท่านผู้รู้อยู่ในประเทศไทยเยอะๆนี่เราก็ไม่แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วหลายคนก็ยอมแล้วแล้วก็ไม่เคยไปนักตีกีบใครท่านผู้เชก็มีความเป็นมืาชีพแล้วท่านจะชัดเจนจะก็ชี้ทางออกให้แน่ๆทั้งคนไทยเนี่ยจริงๆเราติดหลงเราก้าวเดินไม่ได้ใช่ไหมันก็เก้าวเดินออกจากตรงนี้ไม่ได้เนี่ยติดเนี่ยง จะก้าวอกจากตรงนี้ไม่ได้ละยุงก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกรณีการเราติดดีการเสียงเลยพี่ยมที่จริงเราน่าจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นฐานในการที่จะยืมเพื่อจะก้าวต่อครแต่เรากลับมาติดเนี้ยเป็นยู่เราก็เลยไม่ไม่ไม่เจริญอะไรนี้เด็กไทยก็เสียผู้ใหญ่ก็พลอยเสียเรื่องอะไรต้นหนึ่ อ, อ, อันนี้สีคือปัญญาเนะคือพูดถึงเรื่องของปัญญาแล้วก็ต้องคำว่าตรงนี้เป็นกรรมใช่ไหมก็พิจารณาว่าเออเนี่ยสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเราพิจารณาให้เป็นกุศลศีลนาเพราะปัญญาไปทำกิจในการวิจัยวิจัยเราก็เห็นโทษของการทุศีจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งใี่ไม่ที้เกิดขึ้น แล้วก็โทษของการที่ว่าทุตศีลเนี่ยเวลาผลของความทูตศีลเกิดขึ้นมันก็เห็นนะว่ามีทรัพย์โดนถูกเผาโดนถูกทําลายชีวิตโดนฆ่าโดนอะไรต่างต่างก็แล้วแต่เนี่ยกรณีเนี้ยท่านผู้นั้นที่ไปโดนอย่างนั้นก็คือว่าก็ผลรก็เอาส่วนได้ส่ไอ้หลายท่านเข้าไปก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็จะเห็นว่าต่างกันจรงบางท่านเจอบางท่านก็ไม่เจอ สิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นคนกําลังทํากรรมที่เป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีท่านเหล่านั้นก็จะต้องรับผลกรรมดีและไม่ดีนะเราก็มาพิจารณาว่าตอนนี้กายกรรมเวจีกรรมระมบดโลกร่าของเราเนี่ยใช่ไหมมันเป็นยังไงอันนี้ก็มาให้คนอันนี้ก็จะเป็นไปในส่วนของเจตสิกสีที่เป็นปัญญาเพระจะมองเห็นใช่ไหมฉะนั้นบาสถานการณ์ต่งตางๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ปัญญาเกิด แต่ปัญญาเกิดเบ็ดเสร็จแล้วมันไม่พอนะแค่เข้าใจตรงนั้นเน่ยยังไม่พอแต่ถ้ามาเกื้อกูลทําให้สุจริตสามดีขึ้นอันนี้ปัญญานั้นอยู่ในฐานะเป็นสี่แล้วก็เตือนกันวันเนี้ยในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยความตั้งมั่นในกุศลศีลต้องชัดเข้าใจไหมอันนี้ก็อันนี้ก็ชัดเจนไม่นี้่าเลยเข้าใจนี่พอจะเข้าใจแล้วไหมต่อไปก็ พูดถึงในเรื่องของสังวรเป็นศีลนะเออเอ า, อางี้ก่อนส่วนในเรื่องของสังวรเป็นศีลนั้นแก่การติดบาปด้วยสติเป็นต้นก่อนนะอธิบายย่อๆก่อนแล้วก็จะมาสรุปที่ในการติดบาปไอตัวสังวรเนี่ยคือติดบาปเช่นเออถ้าสติเนี่ยนะสติสังวรก่อนเนี่ยนะ จะเห็นชัดติดบาปยังยอมมองคนก็เห็นลกูกแม่บาปนชมีตาอยู่แต่มีทวารตาอยู่เนี่ยเมื่อเห็นสีต่างๆ่างเหล่านี้ก็สามารถติดไม่บาปเข้าสู่ใจได้หรือได้ยินเสียงดนมกริ่งริมรถสัมผัสคิดหนบก็ไม่โลภโทสะมมาหาหมุนก็สู่กระแสจิต การปิดต้องกันโลภะโทสะโมหะไมห่หมุนกระสูส่กระแสจิตได้อย่างนี้เป็นสังวรนะนเรียกเรียกปิดบาปไม่ไม่ให้โลภะโทสะหมุนกระสูส่กระแสจิตพอจะสรุปตรงนี้พอได้ก่อนนะนี่คือสังวรสูงก่อนเดี๋ยวไปแจกรายละเอียดทีประการสุดท้ายสุดท้ายช่วงสังเขปอวิติกัรมะความไม่ก้าวล่วง ควาไม่ก้าร่วงนี่คือตัวทั้งจิตและเจตสิกที่เป็นกุศลจิตวบากเป็นไปด้วยการไม่ก้าร่วงการไม่ก้าร่วงเนี่ยมันจะต้องเป็นปฏิบัติต่อการก้าร่วงนะตามไม่ก้าล่วงถามว่าก้าร่วงคืออะไรอยอมไหมก้าร่วงคืออะไร ถ้าฆ่าสาัตว์จะถือว่าก้าวล่วงไหมรักทรัพย์ประพฤติในการพูดเทศตอเสียกคำหยากไว้เทอะยเห็นไหมก้าวล่วงโลกห็น ไ, ไหก็โกรธแล้วก็หินผิดเน ไ, ไมรณีก็คือไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงไม่ให้บาปประทําธรรมต่งตางๆวันนี้หมุนก็จะใจ่